ความเครียดจากพายุขยะกกรณีเฉพาะตนของสรวัตรแจค็คอาชีพตำรวจแลักษณะงานที่ทำเป็นพนักงานสอบสวนต้องคอยชี้ผิดชี้ถูกเช่นคนทะเลาะ ก, กันจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วตกลงกันไม่ได้ก็มาที่เรา แต่หลายครั้งเราตัดสินก็ไม่เชื่อหรือไม่ยอมรับจนเราต้องร่วมทะเลาะและพลอยกลายเป็นคู่กรณีฝ่ายที่สาไปเลยเพื่อนบางคนเครียดง่ายโดน ล, ลาไปติดร่างแหบ่อยเข้าถึงกับเดินขึ้นแฟลตค่าตัวตายหนีปัญหาไปเลยก็เคยมีโอกาสพักผ่อนมีน้อยเพราะในท้องที่ต้องทำคดีติ ด, ต, ดติดกันแทบไม่หายใจใหายคอเจอคดีวันหนึ่งรวมเป็น10บรับสานวนหนึ่งมากกว่าจะทาเสร็จก็ไม่ใช่วันเดียว